Uthan sar. กับเรื่องการปฏิบัติในการนั่งสมาธิกันบ้างก็มีหลายคนที่ปฏิบัติทำแล้วก็มีความสงสัยสงสัยว่า เมื่อทำสมาธิแล้วพอจิตนิ่งหรือจิตเข้าสู่ภาวะสงบแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อหรือจะเดินยังไงต่อก็มีหลายคนที่ปฏิบัติพอถึงจุดนี้ก็เหมือนว่าตัวเองไม่พัฒนาขึ้น หรือว่าไม่รู้จะทำอย่างไรต่ออย่างนี้เป็นต้นจริงๆการนั่งสมาธิเราเราต้องเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรสมาธิก็เป็นวิชาหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสมถะแต่มาใช้คว่านิ่งสงบเป็นสมถะ รู้ตื่นแจ้งเบิกบานเป็นวิปัสสนาอธรรมารจำกัดวงของธมาไว้ในจุดเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่านิ่งสงบเป็นสมรถรู้ตื่นแจ้งเป็นวิปัสสนาทีนี้เบื้องต้นเวลาเราปฏิบัติ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าศีลส่งเสริมให้เกิดสมาธิสมาธิส่งเสริมให้เกิดปัญญาจึงใช้มาศีลสมาธิปัญญานี่คือบทสรุปของคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอุปมาเหมือนว่าสัตว์ในโลกนี้ที่เท้าใหญ่ที่สุดก็คือ อายุคเราเราว่าเป็นช้างเนี่ยก็ไปรวมอยู่ในตรงนั้นศีลสมาธิปัญญาเรามาเริ่มเรื่องศีลก่อนว่าศีลช่วยเหลื อ, อยังไงให้เกิดสมาธิสมาธิช่วยเหลืออย่างไรให้ถึงปัญญาคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่อยู่ไม่ปกติกินไม่ปกติทํางานไม่ปกติ ใช้ชีวิตไม่ปกติคือไม่ปกติสุขและไม่ปกติในชีวิตคนเรานั่นก็หมายว่ายังเบียดเบียนให้ร้ายแล้วก็ทำลายจริงจำเป็นต้องมีศีลก่อนเพื่อทำให้เรามีความสงบ สงบจากกายสงบจากวาจาถ้าใครไม่สงบด้วยกายวาจาสมาธิเกิดไม่ได้ตรงนี้ให้เห็นชัดเจนว่าเกิดไม่ได้ทะเลาะกันด่ากันตีกันนั่งหน้ายังเป็นรอยเล็บอยู่เนี่ยนะ ผมยังติดมือมาข้างหนึ่งเนี่ยนะนั่งยุบหนอพองหนอสงบหนอเนี่ยคิดว่ายากตรงนี้ดงนั้นพระพุทธเจ้าเราจรึงวางหลักให้การปฏิบัตินั้นเนี่ยเดินได้ตรงเดินได้ตรงก็เลยต้องให้บอกสงบจากกายอาศัยสี รักษาศีลกายวาจาสงบพอสงบก็เริ่มเป็นปกติไม่คิดเบียดเบียนใครไม่มีใครมาเบียดเบียนเราเการปฏิบัติก็เริ่มเข้าทางทีเนี่ยอเออก่อนที่ใจสงบ มันเหมือนก่อนที่เอาอะไรมาใส่ภาชนะภาชนะก็ต้องล้างให้เกลี้ยงเช่อก่อนเหมือนกันเราต้องชำระกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วถึงค่อยพูดเรื่องใจสะอาดนี่คือ การปฏิบัติตึงบอกต้องมีศีลสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกัสมปะทาสีเลนะนิพุตงยันติตัสสมาชีลังวิโสไดเยความสงบได้จากศีลความสุขได้จากศีลโภคะได้จากศีลในเราต้องให้เกิดอานิสงส์ก่อนการปฏิบัติขั้นสูง พื้นฐานต้องได้อานิสงส์จากการปฏิบัติสมทานสีตอนนี้กายสงบวาจาสงบนี่เราได้ถ้าเป็นสีก็เป็นสีรองพื้นแล้วก็พร้อมที่จะเอาสีจริงเนี่ยมาทับ ขึ้นมาอีกชั้นเนี่ยศีลก็เหมือนรองพื้นไว้ก่อนแล้วทำให้ภาชนะสะอาดฉะนั้นผู้ภาวนาต้องดูว่าพื้นของเราสะอาดหรือยังถ้าพื้นไม่สะอาดเอาอะไรวางใส่ก็สกปรกไม่ได้ เดี๋ยวก็ด่ากันทะเลาะ ก, กันมึงมึงกูกูอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องคำยาบหยาบเข้ามาอีกจิตมันมีแต่เศร้าหมองนะกายสงบเลยยังวางอาวุธหยุดทำรายวางอาวุธ หยุดเข็นฆ่าเว้นปานาตีบาตหยุดทำลายทรัพย์สินเว้นด้วยอธินาทานไม่ประไม่ประพฤติผิดเรื่องกามทำลายแตกแยกครอบครัวลูกเมียสามีผู้อื่นใจเราก็ไม่เร่าร้อนด้วยถึงบทถ มันต้องนิ่งก่อนนิ่งจากภายนอกก่อนสำคัญมันต้องนิ่งตั้งแต่กายวาจาก่อนมือยังถือมีดแล้วนะ่ะบอกนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธพุโทโธอะไรย่างถือมีดยังเอาปืนตั้งอยู่หน้าตักเนี่ยนะ่ะไม่ไหวอ่ะมันต้องวางก่อน มันต้องวางริงนั้นก่อนบอกคนรักษาศีล ย, ยอมตายแต่ไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นนั่นศีลอริยะมันคงนะอเออเอาละดังนั้นพื้นฐาน ใครทําได้แค่ไหนอาธมารับรองให้ไม่ได้ทุกคนต้องรู้เองแล้วหลายคนที่เจริญสมาธิไม่เกิดหรือว่าเกิดไม่ได้ก็เพราะว่าพื้นฐานที่เราปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง ยังทุสีนยังทุสีนจิงไม่สงบทั้งกายแล้วก็วาจาใจนี้ก็ยิ่งฟุ้งหนักไปอีกมันสัมพันธ์กันอยู่สิ่งเหล่านี้กายจิตชีวิตมันสัมพันธ์อยู่ บอกเออมันลมหายใจกับหัวใจมันก็อาศัยกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่พื้นตรงนี้เราทำไปถึงไหนแล้วสะอาดพอไหมรองพื้นได้ดีหล้วอย่างเอาละสมมุติว่าดีแล้วสมมตินะ ผ่านไปชั้นหนึ่งสีลจะส่งเสริมแล้วให้เกิดสมาธิเกิดยังไงว่าจะสงบกายสงบก็เหลือแค่ใจสงบมันเห็นแล้วละ่ะโดยเหตุด้วยผลนี้ส่งเสริมแล้วกายสงบว่าจาสงบ ทำให้ใจสงบกก็มีวิธีเพราะว่าใจของเราถูกย้อมมาเยอะตรรมาบอกว่าโลกใบนี้เหมือนหม้อย้อมใหญ่ๆแล้วพวกเราถูกย้อมทุกคนถูกย้อมไม่รู้สีอะไรเป็นสีอะไรสีขาวสีดำโดนย้อมเยอะ จนไม่รู้ว่าสีอะไรด้วยซ้าไปสับสนสงสัยลังเลแล้วก็เกิดฟุ้งซ่านก็เออสับสนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านนี่เกิดจากคำว่านิวรธรล เกิดเป็นนิวรณขึ้นมาเราจะต้องทำจุดนี้ให้สงบลงลังเลสงสัยฟุงสานจนถึงคำว่ารำคาญใจคนเรานี้รำคาญใจเนี่ย เข้าใจนะคำนี้เกิดความรำคาญใจไม่สบายรึงุดหงิดเนีย่ยบอกงุดหงิดฟุ้งส่านรำคาญใจสงเคราะห์เข้ากันลังเลสงสัยสับสนนี่ก็สงเคราะห์ด้วยกันแต่มีวิธีที่เราจะทำให้เกิดสิ่งนี้สงบลงได้ ถามอาศัยอะไรอาศัยการเจริญสมถะกรรมฐานก็คือวิธีทำให้ใจนั้นสงบเริ่มตั้งแต่ทำให้เกิดคนิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทั้งมีรูปฌานและอรูปฌานตรงนี้ ต้องมาศึกษาจากการภาวนาปฏิบัติที่ก็บอกหินทับยาคำนี้มันก็มีอยู่แต่เราปฏิบัติเรามีสติแล้วก็สุดท้ายเรารู้จักคำว่าธรรมที่เป็นปัญญาไม่ใช่มาอยู่เพียงคำว่า หินทับยาหรือสงบสงบขาดปัญญาสงบขาดวิชาไม่ใช่ไอ้ น, นั่นเชื่อว่าสิ่งที่พูดมานั้นก่อนพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วมาสั่งสอนเวนยิยสัตว์ต่างแต่วพุทธเจ้าตัดสรุปมาวิปัสสนาเผยแผ่ออกมามากมายเหลือเกินไม่ใช่แต่สมถะอย่างเดียวเอาละ เรากลับมาจรงทำยังไงให้ใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญให้สิ่งนี้หมดสงบลงคมกดลักษณะใหม่ๆเรียกด้วยการข่มด้วยการกดหรือด้วยการสยบนั่นได้ชั่วคราว แต่ทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มก่อนมันก็ถูกพอกายสงบบาจาสงบมุ่งไปที่ใจลักษณะใจเรานี้ปรุงแต่งตลอดส่วนใหญ่ไม่นิ่งมีนาพพุทธเจ้าบอกให้มีสติอยู่ทุกเมื่อหรือสติตื่นอยู่ ตลอดรู้ไม่สติคืออะไรสติอยู่ไหนและคำว่าาละของสติก็คือกำลังสติสติยังมีคว่ามหาสติมิจฉา มีมิจฉาสมาธิมิจฉาสติก็มีไม่ใช่สติปัญญาตรงคำว่ามิจฉาสมาธิมิจฉาสติทําไมจึงเป็นมิจฉาหมกมุ่นอยู่กับตัวตนมันเกิดเป็นอารมณ์แห่งความมุ่งมั่นอยู่กับตัวตนไม่ใช่ผลดีนะ มันเลยเป็นมิจฉายิ่งยึดติดเข้าไปไม่ใช่ปล่อยวางจึงเรียกว่าเป็นมิจฉาเอาไง่ายๆว่าเห็นผิดและลึกผิดคิดผิดตั้งผิดบกพยาบาทไม่เลิกลก ไม่เลิกลาไม่ลดละมันเป็นมิจฉาที่อย่างลึกน่ากลัวนะทุกอย่างมันมีสองหน้าเป็นสิ่งคู่กันแต่แยกกันกุศลอกุศลเหมือนดำขาว โลกใบนี้เป็นสิ่งคู่กันอยู่แล้วนะแต่ว่าผลสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันสุคติกับทุกติก็เป็นสิ่งที่บอกเลย ว, ว่ามันคู่กันแต่ผลต่างกันผลแห่งบาปกับผลแห่งบุญให้ผลต่างกัน ปาเปติสุขติังธรรมโมปาเปติสุขติธรรมนำไปสู่สุขติอธรรมโมนิหรือยังนิติอธรรมนำไปสู่นรกชัดตรงนี้เอากลับมาตรงที่เราทำยังไงให้มีฐานเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิเราต้องสร้างขึ้นมา ธรรมะสร้างจากอะไรสติวิริยะขันติสติขันติวิริยะอธมาบอกว่าคนจะได้สมาธิต้องผ่านขันติคนมีขันติก็ต้องใช้วิริยะเป็นอาศัยกันสองเคราะห์เข้าด้วยกันสติ วิริยะฝึกฝนสติขันติวิริยะแล้วสิ่งตามมาคือสมาธิพระกุทธเจ้าที่บำเพ็ญมาทุกอย่างเกิดจากความเป็นจริงทั้งหมดมีวิริยะบา ร, รมีมีขันติบา ร, รมี แล้วก็แม้แต่มรรคองคแปดก็ยังใช้กับมาสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาวายมะนี่คือความเพียรสัมมาสติพะในบารมีสิบมีขันติบารมีแต่มาก็ดูว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดยังไงมันต้องมีส่วนผสมอยูกทุกอย่าง ดินอย่างเดียวเป็นดินเหนียวไม่ได้มันต้องมีน้ำเข้ามาให้ความชุ่มจึงกลายเป็นดินเหนียวสามารถปั้นให้เป็นรูปร่างอะไรได้การที่จะติดไฟเผามีแต่ไฟอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอากาศออกซิเจนไฟจึงติดขึ้นได้ไฟจะติดก็ต้องมีเชื้อ อะไรคือเชื้อทำให้สมาธิเกิดเออเราต้องหาวัส ด, ดุหรือวัตถุดิบเข้ามาหลักง่ายๆถึงบอกพวกเราปฏิบัติมันต้องรู้ธรรมชาติที่มันเกิดยังไงมียังไงดับยังไงเราต้องเข้าใจมันมันคู่มือทุกอย่างเราต้องมีคู่มือในการใช้ ทุกอย่างทำยังไงให้เกิดสมาธิเราต้องสร้างมันขึ้นมาสร้างแบบไหนสร้างสติสร้างขันติสร้างวิริยะยมรู้ไหมว่า การบำเพ็ญภาวนาถ้าเราติดอยู่จุดใดจุดหนึ่งบางทีชาติหนึ่งหมดไปโดยเราไม่สามารถที่รู้ด้วยแล้วไม่ได้แก้ให้ถูกจุดด้วยมันเหมือนรถติดลมอยูนะ่ไม่ขึ้นแล้วล่ะ มีวิธีพระเจ้าจึงใช้มาอาณาปานาสติกําหนดลมหายใจถูกสร้างองค์ภาวนาขึ้นมาพุทธผู้รู้ผู้ตื่นพวกเราบอกพุโทโธเป็นองค์แทนของพพุทธเจ้ารู้ตื่นเบิกบาน สร้างสติสร้างขันติสร้างวิริยะก่อให้เกิดสมาธิเอาอะไรมาก่อบอกแลวพระพุทธเจ้าให้กำหนดอาณาปานาสติสมาธิหรือเจริญกายาคตาสติสติไปในกายฉันวิธีภาวนาปฏิบัติไม่ใช่มีทางเดียว ไม่ใช่มีแบบเดียวอย่างอนุสติสิบเนี่ยบางคนแค่ระลึกถึงพระพุทธ เ, เจ้าใจสงบแล้วระลึกถึงพระธรรมคำสอนใจก็สงบลงได้นึกถึงอริยสงฆ์เจ้าจิตก็น้อมลงสู่ความสงบ นึกถึงศีลนึกถึงเทวาทั้งหลายหรือเพ่งกสินดูน้ำดูดินดูลมดูไฟอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนพิสุรูปหนึ่งในขณะที่เดินลงจากเขานะเกิดเห็นไฟไหม้ป่าขึ้นวันนั้นท่านมองเกิดกสิน เตโชขสินเกิดมองแล้วใจรวมนิ่งสงบทบอกแล้วแต่ทางไหนก็ได้แต่ตามาจะบอกจุดที่ตามาที่จะแสดงเอาอาณาปานสติเข้ามากำหนดลมหายใจหรือกำหนดองค์บริกรรมองค์ใดองค์หนึ่ง อย่างของเราใช้พุโทโธหรือดูลมแต่ใครเหนือกว่านี้นอกกว่านี้ไม่ได้ผิดและก็ไม่ได้ถูกกว่าคนอื่นนะถ้าเถียงกันเนี่ยโลกแตกจริงๆมันแค่วิธีการปฏิบัติอุปกรณ์แห่งการใช้เพื่อนำล่องมาสู่ว่าทำยังไงใจสงบถ้าสงบแล้วนั่นคือประโยชน์ จุดหมายอยู่ตรงนี้คุณจะนั่งเรือนั่งใช้ยางบวงใช้แพรใช้หยกกล้วยอะไรก็แล้วแต่ถามว่าข้ามฝากมาได้ไหมถ้าข้ามฝากได้ก็ถือว่าคุณก็ผ่านเหตุผลมีแค่นี้ถามว่าเราถึงฝั่งนี้ได้ไหมคุณจะข้ามมาโดยวิธีไหนบอกไม่รู้แต่คุณข้ามฝั่งมาได้ ก็ถือว่าคุณผ่านมาเอาละเราเริ่มดูกำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจที่เคยหายใจทิ้งมาทั้งชีวิตวันนี้ลมหายใจนี้เป็นลมหายใจที่เกิดอาณาปานสติหรือไม่ยังตอบไม่ได้ทำไมตอบไม่ได้อยู่ที่ผู้กำหนด สติะระลึกดูลมจิตเป็นหนึ่งสงบนิ่งตั้งมัน่นจนความฟุ้งซ่านหายไปอารมณ์อื่นหายไปอยู่กับอารมณ์นี้ใหม่เรียกว่ากำหนดลมหายใจเป็นเกิด เอกคัดดารลมก่อนเขาเรียกจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก่อนหลักอยู่ตรงนี้ที่บอกฟุ้งซ่านรําคาญหงุดหงิดตรงนั้นไม่ใช่ที่หมายแล้วเขาเรียกเป้าหมายเปลี่ยนแล้วเป้าหมายเปลี่ยนแล้วดูอยู่ที่ลมกําหนดสติตั้ง กำหนดลมหายใจจดจอ่อจึงบอกว่าฌานการทำฌานเหมือนกับในหนึ่งก็แปลว่าเพ่งการกาหนดจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นให้เหลือแค่หนึ่งเดียวเหลืออยู่ที่ลมหายใจจนบางคนกาหนดบางคนนะบางครั้งเห็นเป็นสายลม ลมนี่เป็นเส้นขาวบางคนเห็นบางคนสัมผัสเย็นบางคนนี่เบาอาจมากล่าวตรงนี้อย่าเอาตามเพียงแต่บอกว่าสภาวะเคยมีมาของแต่ละผู้ภาวนาหรือบางคนไม่จำเป็นต้องเกิดแบบนั้นก็ได้สติรู้อยู่กับลมจนจิตตั้งส ม, มาธิเกิด เกิดเป็นอาณาปานาสติกำหนดลมหายใจจนเกิดสมาธินี่คืออาณาปานาสติกำหนดลมจนเกิดสมาธิจึงเรียกว่าอาณาปานาสติถ้ายังไม่เกิดสมาธิยังไม่เป็นอาณายังหายใจอย่างเราๆอยู่ดันบอกเออเกิดไม่เกิดตอบไม่ได้จะบอกเออตอนนี้ ใช้ลมทำไมใช้ลมเพราะชีวิตมีลมหายใจอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ประจำก็คือหายใจหยุดทุกวิวัดนพระพุทธเจ้าก็เอาจุดนี้มาเลยกำหนดจนฐานเป็นที่ตั้งจิตรวมเป็นหนึ่งฟุงสร้างดับ บอเกิดวิตกวิจาร์ก็คือความตรึกความตรองแรกๆนั่งดูกับมันเหมือนค้นหาเหตุหาผลจนรู้เหตุรู้ผลแล้วก็หมดความสงสัยสิ้นความลังเลจิตก็ปักลงสู่ความสงบตรงนั้น ต้องบอกจะเป็นคณิกะเฉียดชฉวหรือจะเป็นอุปจาระเกิดขึ้นที่สามารถทำสมาธิได้นานขึ้นหรือจนถึงเข้าสู่สมาธิดิ่งลงถึงความสงบแห่งความดับไปขณะหนึ่งก็ได้ยิ่งอำนาจสมาธิมากเท่าไหร่มันจะลึกดิ่งลงจนถึงอัปปนา บางคนนั่งสี่ห้าชั่วโมงจนความเจ็บปวดทางร่างกายเนี่ยถามว่ามีไหมมีแต่อำนาจแห่งฌานสงบสามารถที่จะอยู่กับสิ่งนั้นได้แบบไม่รู้สึกว่ามันบีบคั้นเจ็บปวดมากมายอะไร แต่ไม่ใช่ว่าได้ทุกคนหรือว่าได้ทุกครั้งในแต่ละคนถึงบอกความเชี่ยวชาญทำนานในการเข้าสมาธิเรียกเป็นวัต ส, สีที่ตรงนี้วัาสนาบุญของแต่ละคนการปฏิบัตินี้บอกกันไม่ได้เหมือนฝึกฝึกมวยฝึกยุทธอะไรแล้วแต่ไม่ได้ว่าเก่งทุกคนในค่ายเดียวกันนั่นแหละ ความอดทนความขยันหมัน่นเพียรความมีระเบียบ ว, วินัยความเอาใจใส่พระกําลังอินทร์บรารมีจิตใจความมั่นคงตั้งมั่นโอง่งแ้ะหลายอย่างที่มีองค์ประกอบอยู่ในชีวิตคนคนหนึ่งจึงต่างกันมีผลรับต่างกันจะบอกเออพอถึงจุดหนึ่งพอบางคนได้ได้ความสงบ เป็นความสงบระ ง, งับเกิดเป็นอุปาทานสงบระ ง, งับบางคนทำได้แวบแล้วก็ฟุง้งบางคนได้สักพักแล้วก็คลายออกมาตรงนี้ต้องบอกอยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคน ความอดทนคนไม่เท่ากันวิทยะบารมีไม่เท่ากันสมาธิก็ไม่เสมอกันจึงจัดว่าคั น, นิกะอุปจาระอปันะอปันน า, นาตรงนี้แล้วแต่พอทุกคนทำผ่านจุดนี้ไปเนี่ย แต่ถามว่าถ้าองค์ภาวนาเปลี่ยนได้ไม่ได้ถึงยมไม่ดูลมไม่ดูลมหายใจก็ทำได้บริกรรมพุทธโธก็ได้แบบเดียวกันเปลี่ยนจากดูลมเป็นพุทธโธหรือเปลี่ยนจากพุทธโธเป็นอะไรก็ได้ถามว่าเมื่อภาวนากาหนดสิ่งนั้นแล้วสติจิตสมาธิ เกิดสภาวะอะไรบ้างหลอมรวมเข้ามาเนี่ยตอนนี้เราตั้งอยู่กับอะไรขันติธรรมสมาธิหรือจเจริญอยู่ด้วยสติที่อยู่กับเวทนาหรือสติะระลึกอยู่กับ การเพียรในการปฏิบัติตรงนี้ธรรมาว่าทุกคนต้องหาหาให้เจอด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นปัญญายังอีกไกลไกลเอาละพอธรรมามาสรุปตรงนี้ว่าบางคนทำได้ถึงจุดธรรมายกตัวอยา่างเหมือนคนที่ขึ้นเครื่องนะ เรื่องก่อนที่จะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเนี่ยต้องวิ่งที่รันเวย์ก่อนชัวช่วโมงชั่วโมงบินความไวเนี่ยต้องเหินขึ้นไปได้ก่อนกว่าจะผ่านจากการผันผวนของชั้นบรรยากาศจนถึงจุดนิ่งก็เรียก เพดานบินแตา ม, มาใช้ขับเนีถึงจุดเพดานบินที่นิ่งหลายคนพอนิ่งรู้สึกปฏิบัติก็เข้ามาตรงนี้ปึ๊เข้ามาก็นิ่งแตมาก็เจอแตา ม, มาเคยเดินแบกกดถามไปทั่วอตอนนั้นสงบแล้วทำยังไงต่อเ น, นี่ยนั่งให้ดูก็ได้สองชั่วโมงไม่ขยับเลยกึ๊บถามไปทั่วหมดเดิน ทุดงไปถึงเกคขอนแก่นขึ้นไปทางเขาจัดปฏิบัติธรรมที่ไหนมีครูบาอาจารย์ไหนมาจะมาแวะถามหมดคำตอบไม่เป็นที่พอใจหรือบางองค์ท่านก็บางท่านบอกตรงนี้ท่านก็ไม่รู้นะท่านก็แนะนำไปหาครูอาจารย์ไปไป แต่สรุปสุดท้ายยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นั่งสองชั่วโมงไม่ขยับตอนนั้นกะึ๊บกข้าวเล ย, ยอะไรแต่ตอบนั่งดูเ ช, ชสติจิตสติจิตสมาธิสมาธิจิตจริงๆเป็นสภาวะไม่ใช่ความสงบเป็นของเราเพิ่งมารู้ตอนหลัง ปฏิบัติเองรู้ขึ้นมาตรงนั้นเรายังไปมั่นหมายไอ้ความสงบเป็นของเราตรงนี้ไกลไปเดี๋ยวกลับไปที่โยมก่อนว่าบางคนพอได้ชั่วโมงบินตรงนี้ปั๊บพอนิ่งปุ๊บหลายคนเข้าใจว่าความสงบเป็นเราอาการที่เกิดนี้คือทัวเราอาตมาก็เป็นแบบนั้นนะพักใหญ่เลยนะ เป็นปีหรือเปล่าไม่รู้แล้วจะมาทำธรรมะเขาเรียกดิ่งนะเวลาทําจิตจะดิ่งโชคดีปริโภตมาไม่มีความกังวลความห่วงทุกอย่างไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีอะไรที่ต้องห่วงแ ล, และไม่มีอะไรต้องมาห่วงเราด้วยก็มีลมหายใจกับชีวิต อย่าว่าถูกหรือแพงก็มีแค่เนี้ยมีค่าหรือไร้ค่าก็อย่างเนี้ยจ้อะไรกับชีวิตคนคนคนนี้มันมีอยู่แค่นี้สรุปง่ายดีโยมก็นั่งดูไปเออถึงจุดแล้วเราจะไปยังไงต่อสงบสงบแล้วยังไงต่อนิ่งแล้วยังไงต่อนานนานย่จุดนี้ นั่งจนตัวนิ่งตอนนั้นวันนึงทํา8ดเก้าชั่วโมงชุกวันติดต่อกันอยู่หลายเดือนจนตัวใสน้ำสบายตานิ่งจิตวางนิ่งเฉยสงบนั่งไม่มีเผลอไม่มีไหลไม่มีหลับไม่มีดึกเดินเที่ยงคืนที่นหนึ่งเต้สองไม่มีคําอ้าง ไม่เคยกินกาแฟแล้วบอกว่าเออที่ที่ไม่ง่วงเพราะกาแฟนั่งได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่สายภาวนาติดกาแฟแล้วบอกนั่งได้เพราะกาแฟเนี่ยนะตมาฟังแล้วยังอีกไกลอยากกินดิมสักสองแก้วเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งให้ได้ตีสามตม า, าแค่คิดก็ผิดแล้วไม่ได้ฝึกอินซีที่บอกเลยนี่เป็น คาเฟอินดังนั้นเลยที่พูดมาเนี่ยนะไม่ใช่ดูจุดท้ายมาบอกนิ่งสงบเป็นสมถะเรารู้อยู่แค่นี้เองนิ่งกับสงบกายนิ่งใจสงบกายเคลื่อนใจก็สงบ เออนิ่งสงบอย่างนี้เองเรียกนิ่งสงบแต่ถามว่าเราสงบจากอะไรสงบจากการทําสมาธิสงบจากการทาําฌ า, านยังไม่สงบจากกิเลสเพราะความมั่นหมายแม้ความสงบเราก็ยังทุกข์ทักว่าเป็นของเราแม้ความสงบนี้ก็ไม่เที่ยง ก่อนที่จะมีคำตอบนะมันมีคำถามก่อนถึงบอกศีลมาสู่สมาธิสมาธิจะผลักแล้วขึ้นยังไงปัญญาเนะี่ยก็เริ่มแนละ้วเริ่มดนสอบสวนวเขาเรียกจิตในจิตภายในสติรละลึกรู้ภายในความสงบจุดมันคืออะไรความสงบอันนี้สง์ความสงบคืออะไร จะมาต้องหาเหตุหาผลก่อนกลัวถูกหลอกเรื่องของเรื่องทั้งหมดชีวิตนี้ล้มเหลวถูกหลอกชีวิตเรามีแค่หนึ่งชีวิตไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็ชีวิตที่เหลือน้อยไม่ใช่ยาวมากมายรู้ไม่จริงเหมือนถูกหลอกเข้าใจผิด ก็เหมือนล้มเหลวสงบคืออะไรสงบเกิดยังไงแล้วทําไมจึงสงบหาเหตุหาผลไม่ใช่ฟุ้งซ่าน ร, รําคาญนะมันคนละเรื่องกันอันนี้คือเหตุตุปัจจะโยเหตุหาเหตุทุกอย่างเหตุที่เกิดทั้งหมดทั้งทุกทั้งสุขไม่ทุกไม่สุขสมาธิอา น, นิสงสมาธิศีลศีลเป็นยังไงรักษาแล้วได้อะไร ทุกอย่างเราต้องสัมผัสชีวิตเราต้องสัมผัสกับการปฏิบัติถ้าสัมผัสไม่ได้มันเหมือนสิ่งล่องรอยมันยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้ไม่กำหนดการเวลาอันบินยูชนพึงน้อมมา และบุคคลนั้นก็รู้เฉพาะตนปัจจัดตังเวทิตาโปบินยูหิบินยูชนพึงรู้เฉพาะตนไม่กำหนดการเวลาเวลาไหนเราก็กำหนดพิจารณารมได้และต้องรู้ว่าได้อะไรอานิสงส์มีอย่างไรถึงบอกธรรมะพุทธเจ้าเมื่อตรีตรองพิจารณาแล้วสามารถปฏิบัติได้นี่คือคุณวิเศษของธรรมะ กำหนดต่อสงบและเป็นยังไงสงบก็คือสงบไม่มีคำตอบมากกว่านี้ของจริงนิ่งเปนบนใบสิ่งพูดได้ร้วนไม่จริงไอ้ที่ว่านิ่งเปนบนใบอะไรนิ่งเราไม่พุงแต่ เราสงบอะไรทำให้สงบสติจิตตั้งทำสมาธิให้เกิดอุปจาระอัปนาของสมาธิพอเกิดนานๆพรพอเราฝึกนานๆไม่ใช่ปลาได้น้ำใหม่ เราจะไม่รู้สึกวุบวาบหรือหูวาหรือจะวาบวิวกับสิ่งที่เราได้มาเรารู้สึกมันคุ้นกันแล้วถ้าเราไม่พัฒนาต่อมันก็จะอยู่แบบเขาว่าหินทับหญ้าตรงนี้เองอาจมาไม่หยุดนิ่งตรงนั้นเราเป็นคนโง่เลยต้องหาความฉลาดเพิ่มไปเรื่อยๆคือไม่ฉลาดใจ เราเป็นคนที่ไม่รู้เราต้องทำให้รู้รู้อะไรรู้ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งความรู้ที่บอกปัญญานะ่จะเกิดได้อย่างไรแต่มากร ก, กําอดต่อคำตอบที่ขึ้นต้นที่ถามในที่สุดสงบแล้วยังไง จะไปไหนต่อตอมาบอกไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรสงบก็คือสงบพอใจหรือไม่ตอบอย่างเงี้ยเอากำปันทุบดินให้ดูสงบก็คือสงบไม่ได้มีอะไรมากกว่าอ้าว ขังตัวเองเรื่องไงบอกไม่ใช่เราพูดในล้อนนี่คือสภาวะไม่ใช่ตัวตนสงบก็รู้ว่าสงบแต่ใช่ต้องยึดความสงบว่าเป็นเราเขาปัญญาเริ่มเกิดตรงนี้นะปัญญาเริ่มเกิดตรงนี้แต่ไม่รู้โยมอยบอกปัญญาหรือเปล่านะแต่แต่ามาบอกถึงก็เออเราเริ่มเราเริ่มเกิดตัวรู้ขึ้นมา ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ค้นหาจิตในจิตภายในจิตเราทำในธรรมภายในธรรมกำหนดรูปกายใหม่กายาคตาสติเอามาผสมปัะสานการแต่มาบอกวิธีปฏิบัติไม่ใช่แบบเดียวเมื่อกี้เริ่มต้นมีคำว่ากายาคตาสติมาพิจารณาสติภายในกายรูปกายจับต้องได้อวัยวะน้อยใหญ่ยกรู้แล้ว มีลักษณะยังไงไม่เที่ยงเข้าใจผมไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงหมดและเป็นไงไม่เที่ยงมีสภาพทุกทุกคืออะไรทุกคือสิ่งที่ทนได้ยากเออเข่าทางใช่ร่างกายนี้มีสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้อุณหภูมิเย็นระดับหนึ่งอยู่ได้มากกว่านั้นอยู่ไม่ได้ ความร้อนระดับหนึ่งอุณหภูมิร่างกายรับได้มากกว่า น, นั้นรับไม่ได้นี่คือสภาพแปรปรวนกคน่คุณก่อนจะรู้สัจธรรมแท้จริงคุณต้องรู้คาว่าความเปลี่ยนแปลงและความปแปรปรวนธาตุขันมีความปแปรปรวนชีวิตมีสภาพความเปลี่ยนแปลงก่อนํามาจะเข้าใจว่าอ น, นี่จังนะมีลากศัพท์อย่างนี้ก่อน ชีวิตมีความแปรปรวนรูปกายนี้แต่การอยู่ในชีวิตมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดอ้าวยมนึกว่าแผ่นดินนิ่งอยู่หรือไม่นะขยับอยู่ตลอดจนถึงแรงสั่นสะเทือนที่มนุษย์สัมผัสได้หรือเกิดภัยขึ้นมาก้อนเมฆไม่ได้หยุดนิ่งลอยและลี้วอยู่ตลอด สายลมไม่ได้หยุดนิ่งก่อตัวเกิดดับเกิดดับพัดพาอยู่ตลอดขึ้นทะเลไม่เคยนิ่งเกิดเป็นละลอกและดับหายเกิดอีกจนดูลมหายใจเข้าออกไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่หลับใครว่าลมหยุดเปล่าแม้แต่หลับใครบอกหัวใจไม่ไม่เต้นไม่ปั๊มเขาทำงานอยู่ตลอด ไม่เคยหยุดยงหยุดเมื่อไร่เกมจบกำหนดถึงให้ยางตรงนี้จะมากำหนดไปโอ้สนุกโอ้ปฏิบัติยมดูดดื่มสนุกสนุกมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนี่อาตมานะมันฮึกโข้มันมีกำลังใจภายในโอสารพัดใครชวนให้ไปไหนบอกไรสาระ เวลาทุกคนใกล้จะหมดเราให้สำคัญแต่ชีวิตอยู่แล้วก็ต้องตายแต่ชีวิตก่อนจะตายเราไม่รู้อะไรเลยน่าเสียดายยังไงก็กำหนดต่อความสงบไม่ใช่ของเราแต่เป็นภาวะที่เราทาความสงบเกิดและความเกิดนี้ก็ไม่ใช่เที่ยง สมาธิก็ไม่เที่ยงถ้าใครยังไม่กำหนดจุดเหล่านี้ปัญญาจะเกิดไม่ได้แล้วไปไม่ได้หินทับยาอยู่ตรงนี้รูสีบำเพญญ็ญฌานสมนบัติอยู่<ม>ก็มาจอดอยู่ตรงนี้แต่พอพูะเจ้าแสดงธรรมปุ๊บทำไมบรรลุเห็นไหมนิดเดียวเพราะเขายังขาดมาวิปัสสนาหรือปัญญาแห่งความรู้แจ้งจิต ก็ไปเข้าใจว่าอาการที่เกิดนี้ยังเป็นเราอยู่นะแต่มานั่งดูก็เออรู้แล้วสงบมันเป็นแค่สภาวะโกรธก็เป็นสภาวะโลภก็เป็นสภาวะเครียดแค้นก็เป็นสภาวะใหญ่ต้องยึดติดโอ้ยสาธุจริงจริงตอนนั้นยังไม่รู้ว่าปล่อยวางนะอย่งพูดไม่เป็นมันอีกขั้นหนึ่งนะ เรารู้แค่นี้ก่อนโอ้ใจเราก็ดีใจแล้วเรารู้แล้วเราอยู่กับสิ่งนี้นานๆเราต้องหาทางออกอย่างนั้นเราถูกขังอยู่ในอำนาจของที่าหินทับหญ้าที่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะแต่ถึงจุดหนึ่งเราต้องมีขนทางที่จเจริญกว่านี้ธรรมาก็กําหนดไปเพื่ แล้วยังไงกำหนดกายสติภายในกายรู้แล้วกายยะาสติรู้กายแล้วเป็นธาตุสีไม่เที่ยงเห็นกายยังไงรู้กายเรารู้แล้วกายภายในอวัยวะน้อยใหญ่กายภายนอกเนื้อหนังปิดบงัง หลายคนไม่เจริญสติก็หลงชมว่าสวยงามที่แท้มันมีอายุมันมีเวลาอีกหน่อยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็าธาตุคันนี้จะแปรปลวนมีโรคเข้ามามีความเปลี่ยนเนื้อนหนัง เขียวย่นลงมาบอกเออเข้าใจรู้กายเห็นกายแนละ้วภายในเป็นอย่างนี้จริงๆเมื่อรู้อย่างนี้มีสภาพทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เมื่อทนอยู่ไม่ได้ก็แสดงว่าเราบังคับบัญชารูปกายอย่างนี้ไม่ได้ว่าจะต้องอยู่คงไว้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่กิเลสของเรา กิเลสของเรานะแต่เขาไม่เอากับเราด้วยนะเขาทำหน้าที่ธาตุสี่แปรปรวนแล้วสภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงเราอยู่แบบแปรปรวนแล้วก็ถูกเปลี่ยนแปลงทุกอย่างทุกๆห้าปีโยมดูสิ่งรอบตัวเรามันเปลี่ยนอะไรไปเยอะเลยกำหนดดีๆเห็ด คนเจอมาจากคนไม่จะมีก็มามีถึงบอกเออพบเพื่อจากเข้าใจเข้าใจแล้วงานเลี้ยงก็ต้องเลิกลาสุดท้ายบอกเออพอรู้เสร็จเราบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นตัวเราของเราถ้าบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมเราจริงไปทึกทักว่าเป็นเราของเรา เมื่อเราบังคับบัญชาไม่ได้ตัวเราเองเนี่ยนะให้เป็นแบบนั้นอย่างนี้ไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่ใช่ถ้าใช่ต้องได้แสดงว่าเราตกอยู่ใต้อำนาจใจรักแล้วอาตอมาเริ่มหยิบคำนี้เข้าม า, อ, าอ๋อ น, นิจจังใจรักเข้ามาแล้วที่สุดก็แตกนะสุดท้ายก็ว่างเปล่ายึดก็เท่านั้นไม่ยึดก็เท่านี้ แต่มาบอกเข้าใจเข้าใจยึดยึดก็เท่านี้ไม่ยึดก็เท่านี้แล้วใหญ่ต้องยึดที่สุดแตกดับสุดท้ายก็ว่างเปล่านี่นของอนัตตากายาเป็นอย่างนี้พิจารณาธาตุขัน ให้เกิดแตกฉานในธาตุขันรู้แจ้งเห็นทต่างหากตรงนี้แตกฉานในธาตุขันรู้แจ้งเห็นรมสติเจริญไปในกายถือว่าจบตรงนี้กำหนดอีกกี่ร้อยรอบก็ไม่เกินคำนี้เออเรารู้แล้วศึกษาจบอย่างนี้เองที่สุดก็ว่างเปล่ายึด ก็เท่านี้ไม่ยึดก็เท่านี้ใหญ่ต้องยึดมิจฉาทิฏฐิยึดมิจฉาปัญญายึดความเห็นทัวตนทุกอย่างแต่สัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวะสัมมาปัญญาก็จะวางบอเออมันค่าเท่ากันยึดก็เท่านี้ไม่ยึดก็เท่านี้ ใหญไม่ปล่อยวางคานี้เอามาใช้แล้วใหญ่ไม่ปล่อยวางมันเป็นขันธะสันดาลรู้เาาายลยอ๋อใหญ่ไม่ปล่อยวา ง, เ, า เ, วางเพราะสิ่งทั้งหมดมันเป็นขันธะสันดาลที่เรามีมาช้านานไม่ใช่ชาตนี้ไม่รู้สะสมมานานนมเท่าไหร่บอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ที่สุดกายนี้ก็เท่านี้เสริมทรงหลงรูปโฉมตกแต่งเท่าไหร่มันก็มีวัยอายุของมันและก็มีเวลาของมันยอมรับสัจจะัำแต่เรายังใช้แบบปกตินะไม่ใช่รู้เสร็จแล้วก็ไปทอดถอยไม่ใช่รู้ เพื่อไม่ให้เราไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นจึงบอกเออเข้าใจเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเรื่องรูปกายจบจิตในจิตต่อพอกำหนดเสร็จสมาธิบอกเออสุดท้ายมันเป็นเพียงสภาวะความสงบความสงบแต่พอเราไม่ทำชาญเสื่อมได้เห็นไหม สิบยี่สิบวันไม่ทำกุญกิจอีกแล้วนะมันเสื่อมได้ไปเห็นอะไรเข้าตาจะเป็นของร้อนจริงๆตาไม่ร้อนหรอกใจโยมยังร้อนฟังแล้วก็แหมฉันฉันรับไม่ได้จริงๆตัวตนโยมมันเยอะอยู่ไงมันแทงเสไม่มีเจ็บไปหมดโอ้แต่ละคานี่กูทั้งนั้นเลย นี่คือเหตุระหว่างปัญญากับอวิชชาเราแยกกันตรงนี้จะมาบอกเอองั้นดูดต่อสิ่งที่เราต้องเดินก็คือศีลสามาธิเราต้องเดินไปสู่ขั้นปัญญาปัญญาทำยังไงโยกลับมากำหนดจิตภายในใหม่ ที่สงบนั้นไม่ใช่กิเลสเป็นสงบจากองค์ชานเราต้องสงบจากกิเลสจึงเรียกว่าสงบแท้จริงนัติสันติปรมังสุ ข, ขังนี่แหละเป็นความสงบที่จะหลุดพ้นได้แต่ไม่ง่ายไม่ง่ายย้อนกลับไปจิตในจิตเข้าไปสู่ภูมิจิต มีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตและมีทั้งปัจจุบันต้องไปทำความรู้แจ้งอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าคุณไม่เข้าไปสู่สามจุดนี้บรรลุไม่ได้อดีตปัจจุบันอนาคตคุณเข้าใจอดีตยังไง ใจของคุณยึดอยู่กับอดีตสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังทุกอย่างคุณยังมั่นหมายอยู่สิ่งนั้นมันไม่ดับใช่ไหมใจคุณยังปลุกมันอยู่ยังมีมันอยู่ นี่แหละที่บอกอุปทานในความยึดมั่นโลกใบนี้รวมกับชีวิตของเราทั้งหมดเกิดที่ใจตอนนี้เห็นที่ใจทุกอย่างมันไม่ดับมันไม่สงบลงจึงมีคำหนึ่งเรียกว่าปลง โยมต้องผ่านคำนี้ก่อนปรงปรงเสียทุกอย่างโยมต้องปรงมันให้ได้ไม่งั้นมันจะทำร้ายเราไม่งั้นมันจะทำลายเราทุกอย่างทุกทุกอย่างยำ้ำปรงให้ได้ ไม่ว่าอะไรทั้งหมดใจที่มีวางมันให้ได้โปรงมันให้ได้จะให้ความเจ็บอดีตมาสู่ปัจจุบันจะให้ความเจ็บปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตเห็นไหมจะให้ความเกลียดในอดีตมาสู่ปัจจุบันจะให้ความเกลียดปัจจุบันส่งไปสู่อนาคตอีก ย้ายความโกรธในอดีตส่งมาสู่ปัจจุบันย้ายความโกรธปัจจุบันส่งสู่อนาคตโยมเติมอะไรเข้าไปแล้วก็ใช้สามอย่างนี้ครับนั่งดูจิตในจิตตรงนี้ต่มาตอบไม่ได้ว่าต้องภาวนากี่เดือนวันปีหรือกี่ภพภูมิชาติกว่าจะเข้าสู่เมื่อความสงบจะอุปกิเลส หรือจากสาววกิเลสตะมากำหนดไม่ได้ตรงนี้ว่าใครทำได้เร็วช้านานแค่ไหนและอายุจะมีพอหรือไม่ด้วยนะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้บางคนฟังธรรมะเช้าบรรลุสายบางคนฟังตอนสายบรรลุเย็นบางคนฟังเย็นผ่านคืนหนึ่งบรรลุ อีกวันหนึ่งบางคนฟังแล้วไม่เลยต้องรอไปชาติต่อๆไปจึงบอกเออตรงนี้วิปัสสนาเนี่ยบอกไม่ได้ว่าใครเกิดแล้วยังรู้แล้วไม่ปลงไม่เป็นวิปนะัสสนาเพราะยังไม่ได้รู้แจ้งจิตแค่รู้จดจำ รู้จากการได้ยินได้ฟังแต่จิตนั้นยังไม่รู้ทุกยังไม่ดับทุกในอดีตส่งผลมาสู่ปัจจุบันทุกปัจจุบันยังส่งผลสู่อนาคตใครว่าวิปัสสนาตรมาบอกยังไม่ใช่จิตของคุณภายในจิตของคุณพุทธะยังไม่เกิดธรรมะ ยังไม่สว่างพอคุณยังหมกมุ่นอยู่กับตัวตนหมกมุ่นอยู่กับความมีอยู่ในชีวิตเจ็บไม่วางเจ็บไม่วางว่างไม่ได้ปลงไม่ได้อิสระไม่มี ชีวิตชีวีเป็นเช่นนี้เองต้องต้องเข้าใจนะอัละสมควรเวลาในการบรรยายก็ขอยุดติแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอ